ปีมามียค่ะก็นำท่านผู้ฟังมาสักษาหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบุต์อภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนา อาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาแล้วก็เ ค, คร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มีพระเดชพระคูหลงพอ่อดรสะอาดทีโทภโซหรือท่านพระคูสิทธิปภ า, ากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของทางหลักสูตรด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราไปเลยนะคะกราบน้ำศักดิสิทธเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะโยมก็จะขออนุญาตที่จะนําคําถามของอท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นแฟนรายการนะเจ้าค่ะแล้วก็ได้รับฟังการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาภับูญหรือพีปุโญกันเป็นประจําทีเดียวแล้วได้ฟังพระอาจารย์พระมหาภับูญห์อภิ่ปุโนได้อตอบปัญหาของคุณผู้ชายนามว่าเด็กวัดนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยมีคําถามต่อเพิ่มเติมมาดังนั้นโยมก็จะข อ, อะนําคําถามมาถามเลยนะเจ้าค่ะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้าน ถ้าคนอื่นๆซึ่งตามรับฟังรายการเป็นประจําก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมด้วยนะเจ้าคะ่ะก็ถามต่อมาจากเรื่องที่พระอาจารย์พระมหาภพบูลได้ตอบผู้ที่ใช้นามว่าเด็กวัดเจ้าคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างละเอียดก็ขอถามว่าการปฏิบัติอย่างละเอียดนั้นต่างกับการปฏิบัติทางสายกลางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคำถามนี้มาจากท่านผู้ฟังจากจงังหวัดตรังชื่อคุณสมจริงนามสกุลขวัญทอง <Okay. S 2> คุณสมจริงเนี่ยมาที่วัดแล้วก็าฝากคําถามมาไว้ได้ <okay. S 2> ฟังารายการธรรมรับตน์ที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอย่างละเอียดไป <Okay. S 2> แล้วก็เลยมีคําถามต่อเนื่องตรงนี้ว่าการปฏิบัติอย่างละเอียดต่างกับการปฏิบัติทางสายกลางอย่างไร <Okay. S 2> ตรงนี้มันมีแงม่มุมอยู่คุณเดินใจเพราะว่าสมมุติถ้าเราปฏิบัติตามทางสายกลางในอรยิยะมรรคมีองค์แปเนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา อ, อริยมรรคมีองค์แคือมัชชิมาปฏิปทาอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเลยนะบรลือลั่นไว้ที่ป่าอีศีปัตนะมฤกท์ายวันว่าทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามทางสายกลางไปเรื่อยๆมือนก็จะล ะ, ล, ละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยเขามันละเอียดเนี่ยเป็นคําคุณศรรัพท์ขยายเจ้าค่ะใช่เป็นคําคุณศัพท์ขยายอาการของอะไรของอาการ ของคนที่เขาปฏิบัติตามมาร์กแปดคนที่ปฏิบัติตามมาร์กแแล้วก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆอะไรละเอียดลงไปเรื่อยๆจิตนั้นก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆจิตละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดอะไรกิเลสมันก็จับไม่ได้กิเลสมันก็จะค่อยลอกออกหลุดออกล้างออกเนื่องจากความที่จิตของเรามันละเอียดลงไปเรื่อยๆละเอียดลงไปเรื่อยๆพรอจิตเราละเอียดลงไปเรื่อยๆอะไกิเลยังหยาบๆเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้เช่นต้องหลุดไปนะจ๊ะใช่เช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ การพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพวกนี้เนอย่างหยาบๆถ้าจิตเราละเอียดลงไปแล้วหยาบๆพวกนี้อยู่ไม่ได้มันต้องออกไปอย่างละเอียดขึ้นมาอย่างเช่นพวกนี้วรณนความคิดทางการปฏิบาติเบียดเบียนพวกนี้มันจะลาไปได้ละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดต่อไปอีกแล้วก็พวกสมาธิขั้นที่มันยังมีอาพาธอยู่เราก็จะค่อยละเอียดลงละเอียดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามปริญมักมีอง8์แปดก็คือการปฏิบัติตามทางสายกลางความละเอียดก็จะ มีมากขึ้นมากขึ้นแตนะทีนี้ถ้าจะพูดถึงคำว่าทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยบางทีสมัยก่อนอรรถมาเองนะไปเข้าใจว่าทางสายกลางเนี่ยหมายถึงแบบว่าไม่หนักเกินไปนะไม่เบาเกินไปน<จ>ะคือมันกลางกลาง <จะ S 1> ใช่ไหม <จะ S 1> พระพุทธเาอธิบายว่าสุดตรงสองข้างนะข้างหนึ่งก็ชุ่มอยู่ด้วยกามแหมเสพเต็มที่ยึดเต็มที่น่วงเต็มที่อันนี้ <จะ S 1> คือ<ร>สุดตรงข้างหนึ่ง ส่วนสุดโตรงอีกข้างหนึ่งนะคือการทรมานตัวเองให้ลําบากเ ป, ป, ป, ปล่าเปล่าพลี้พลีแบบว่านอนบนน้ําไม่นุ่งผ้าไม่กินข้าวอย่างนี้ในเรืลักษณะที่เรียกว่าสุดตรงอีกข้างหนึ่งเราตอนสมัยยังไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะคุณเตอใจก็มาคิดว่าทางสายกลางก็เออบางทีก็กินบางทีก็หยุดบ้างเห็นีนะเรากลางกลางไม่ถึงขันหนข้างโน้นแล้วก็ไม่ถึงขันหนข้างนี้ คิดว่าตรงกลางๆคือไม่นักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปแต่ <คน S 2> ทำส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นด้วยเจ้า ใ, ใช่ใช่ใชคือตัวเราเองก็คิดอย่างนี้มาก่อนนะแต่พอมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วอา้าวมันไม่ใช่นาะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงคําว่ากลางตรงนี้นะมาที่มาปฏิปทาเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่สุดมันไม่ตันนะคือส่วนสุดเนี่ยคือทําแล้วมันตันนั้นะทําแล้วมันตันเพรา ะ, ะนั้นคําว่ากลางตรงเนี้ยอธิบายหมายถึงว่ามันเป็นทางเลือกที่สาม นะทางเลือกที่3คือส่วนสุดเนี่ยมันมี2สุดนะคือสุดข้างโน้นกับสุดอีกข้างโน้นหนึ่งนะสุดข้างโน้นซ้ายกับสุดข้างโน้นขวาแลนะซึ่งสุดทั้งสองข้างเนี่ยคำว่าส่วนสุดเนี่ยหมายถึงมันตันมันไปต่อไม่ได้ซึ่งมันก็จะมีวิธีปฏิบัติอยู่หลายวิธีที่มันจะไปตันข้างซ้ายแล้วก็มีวิธีปฏิบัติอยู่อีกหลายวิธีที่มันจะไปตันข้างขวาเพราะฉะนั้นมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนีที่มันจะมีหลายทางเลือกและแต่บางทีก็บูชาสิ่งนี้ บางทีกบูชาด้วยของนี้บังดีก็เป็นความคิดนี้บังดีก็ความคิดนั้นทุกอย่างก็เป็นปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาหมดเลยะมันไม่อันใดกันหนึ่งมันก็จะไปตันนะอยู่ที่ข้างขวาหรือไม่ก็ไปตันอยู่ที่ข้างซ้ายนะแต่มาชิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางเลือกจะบอกว่าที่สก็ไม่ใช่เพราะมันมีทางเลือกมากกว่าหลายทางมากกว่าสามทางพระพุทธเจ้ารวบรวมมาเหลือแค่สามทางอะนะนะออเออสองทางที่มันจะไปแล้วตันเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายๆทาง แต่ทางเดียวเนะี่ยที่จะไปรอดได้ไม่ตันนะีไม่ไปตันข้างโน้นไม่ไปตันข้างนี้เลยไหลไปตรงกลางนะีซึ่งไอ้ทางตรงกลางเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องทําอย่างหนักไม่ใช่คุณต้องทําอย่างหนักคุณจะต้องบางทีเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจคุณจะต้องบางทีใช้ความเหน็ดเหนื่อยนะทุ่มทั้งชีวิตในการที่จะทําซึ่งบางคนก็จะโอ้ยคุณพาร้ความเพียนหนักเกินไปไอ้นี่มันสุดตองหรือเปล่าเนะี<ช>่ยไม่ใช่ใชทางสายกลางมันมันเข้าใจไม่ถูก เพราะว่าถ้าสมมุติเราดูอย่างข้อปฏิบัติเช่นทูดงควัดอย่างนี้เป<จ>็นต้นทูดงองควัดการไม่นอนอย่างเงี้ยถืออรีบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนโหเราบอกอันนี้ทําอันนี้สุดโต่งก็บ้าวแต่นี่เป็นทางสายกลางนะเออการปฏิบัติโดยที่ไม่นอนนะนะคุณเดนใจยื้อ<ช><ๆ>อรีบทสามแล้วก็ทางสายกลางอออืหรือบางคนบอกว่าการอยู่ปา่ามันมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งก็คืออยู่ป่าโดยปกติหรือว่าอยู่ในที่ที่ปราศจากที่มุงบางอยู่กลางแจ้ง โอ้ฝ <okay. S 2> นตกคุณก็ไม่เข้าล่มอะเนี่ยโห้ทรมานตัวเองเกินไปหรือเปล่าแต่นี่ <okay. S 2> เป็นทางสายกลางนะนี่เป็นมัชชิมาปฏิปทานตะ่ในในอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งอา้าวทำไมคุณอยู่โอ้โหกุติยังรู้เลยมีทั้งแอร์มีทั้งเครื่องสักผ้ามีทุกอย่างอย่างดีโห้ยรู้ไปหรือเปล่าอัน <Okay. S 2> นี้มันทําตัวให้ชุ่มอยู่ด้วยกามหรือเปล่าอา้าวแต่นี่เป็นมัชชิมาปฏิปทานนะเนื่อเราะว่า okay. ถ้าเรารู้จักเสพแล้วเรารู้จักพิจารณาก่อนแล้วจึงเสพ นะอันนี้มันก็ทําได้ก็จะไ <okay. S 1> เพราะฉะนั้นมัร์ชีมาปฏิปทาเนี่ยมันมันเป็นความหมายที่ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจกันว่าไม่ใช่ทรมานตัวเองหรือไม่ใช่ว่าเอาตัวเองสบายคื อ, คอหมายความว่ามันไม่ใช่แง่มุมอย่างที่เราเคยเข้าใจคืออย่างน้อยตัวเองอาจมาเองก็เข้าใจอย่างนั้นมาก่อน <Okay. S 1> นะแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะีที่มันมีความหมายกว้างมากนะีที่ว่าตั้งจิตเอาไวอ้อย่างถูกต้องในะการตั้งจิตเอาไว้อยู่อย่างถูกต้องเนะีคือไปทางที่ทางสมาธิ แตนะ่บางทีก็อยู่สบายได้บางทีก็ต้องอยู่ลําบากาการอยู่สบายหรือการอยู่ลําบากทางกายไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาค่ะอาจาพอพาจะหมายเพราะอันนี้นเป็นข้อปฏิบัตทิทางใจเป็นข้อปฏิบัติที่ถ้าเราอยู่ลําบากแต่ถ้าคุณมีความโอดทนคุณก็อยู่ลําบากได้ถ้าคุณคอยู่สบายคุณรู้จักการพิจารณาแล้วจึงเสพคุณก็อยู่สบายได้แต่ถ้าอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิด ถ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดเงินก็อยู่ลำบากซะเอา้าพออยู่ลำบากแล้วนะฝึกตนเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่สบายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเหมือนกับลูกศรที่เมื่อดัดตรงแล้วเนี่ยคือเวลาเราจะดัดลูกศรใช่ไหมเราต้องเอาลูกศรเนี่ยไปลนไฟแล้วก็มาชุบน้ำข้าวแล้วก็จะดัดแต่นะมัต้องใช้แรงในการดัดนะพอดัดตรงแล้วก็ไม่ต้องมีความจาเป็นด้วยการงอการดัดหรือการลนไฟอีก อันนี้เป่นโซเดโปตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่สบายหรืออยู่ลำบากไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ากิเลสคืออกุศลธรรมต้องไม่เกิดขึ้นในในะจในกา ร, ร, รที่กิเลสคืออกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในใจตรงนี้แหละมันจะไม่สุดแต่นะมันจะไม่ตันนะพูดง่ายกว่ามันจะไม่ไปตันข้างโน้นนะหรือมันจะไม่ไปตันข้างนี้แต่มันจะไปได้ไปทางไหนไปทางที่จะไปสู่นิพพานและการไปตามทางนี้ก็จะค่อยละเอียดลงละเอียดลงอย่างนี้อืมเจ้าค่ะ ก็คือถ้าเผื่อโยมจะแปลเป็นภาษาอย่างที่ชาวบ้านเราเข้าใจหรือโยมเข้าใจตอนนี้นะเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ก็คือการที่เป็นาทางสายกลางนั้ น, นก็คือทางที่เรารู้ละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็เราสามารถที่จะทําจิตใจของเรานั้นเนี่ยให้อยู่ในทางที่ดีก็คือรรมไม่ไม่จุ่มเจ้าค่ะอยู่ในศ ร, รัทธาแม้ว่าเราจะอย่างสมมุติว่าอย่างสักครู่พระอาจารย์บอกลําบากก็ได้ สบายก็ได้แต่เมื่อยามสบายเนี่ยจิตก็ไม่ได้ไปหลงไหลกับภาษาาน้แต่รู้ว่ามันมันก็เป็นทางหนึ่งที่ว่าเราเราสามารถปฏิบัติได้แต่จิตเราไม่ไปผูกพันไปชุ่มอยู่ด้วยกามถูกไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าเผิดว่าเราประกอบตนอยู่ด้วยความลำบากนักก็ลำบากอย่างมีกุศลก็ลำบากอย่างรู้ว่าไอ้ความลำบากนี้จะทําให้กิเลสมันเลาะออกไปได้อันนี้คือจุดประสงค์ก็สามารถทําความเพียรได้ <c oughs> แต่ไอ้ที่ตันนะที่ตันก็คือทําความลําบากเปล่าๆปี้ๆไม่มีอริยปัญญาอืมก็คือด้วยความงมงายอะ่ะด้วยความงม ง, งายคิดว่าข้ อ, อนี้ข้อวัดแบบนี้ข้อประบัตแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีปัญญาเนี่ยจะสามารถทําความหลุดพ้นให้ได้ซึ่งมันไม่ใช่แต่มัน <c oughs> ต้องมีปัญญาบวกเข้าไปด้วยเพราะงั้นการที่มีปัญญาคุณจะอยู่สบายหรือคุณจะอยู่ลําบากอันนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นเจ้าค่ะคือทางที่ประกอบไปด้วย การรู้จริงแล้วก็ประกอบไปด้วยปัญญาที่จะนําไปสู่การถึงซึ่งหลุดพ้นไปจากวัฏจักรนี้ก็คือเจ้าค่ะก็คือนิพานถูกไหมเจ้าค่ะทางนี้ประกอบด้วยองแปดประการเจ้าค่ะนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นคืออริยมรรคมีองแปดเหมือนกันอืมเจ้าค่ะก็คืออริยมรรคมีองแปดนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่นิพานถูกไหมจ้ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะถูกเป็นวิมุตนะเจ้าค่ะถูกต้องใช่ใช่ใช่ซึ่งนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคําถามข้อต่อไปของคุณ สมจริงพอดีอที่ว่าพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของสัมมาชีวะอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะก็ถามว่าการที่เราในฐนานะคารวาสต้องทําการงานแต่เรามีสัมมากรรมมันตาและสัมมาอาชีวะและยังประกอบไปด้วยศีลห้านี้แสดงว่าเรายังมีความโลภอยู่ใช่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่แล้วเราจะมีอุบายในการที่จะปล่อยวางได้อย่างไรเจ้าค่ะ ความโลภเนี่ยเป็นลักษณะของถ้าจะพูดพูดถึงเรื่องกิเลสดีกว่านะพูดถึงเรื่องกิเลสก็จะมีราคะโธสัตว์แล้วก็โมห <Okay. S 1> นะราคะโธสัตโมหะเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยนะคุณเตือนใจถ้าบอกว่าเราอยู่ในสมาธนะิพระ hmm. พระชาเคยตรัสไว้เป็นพุทธพจนิยมบอกว่านะเพราะความที่อุปกิเลสนะหายไปเพราะความที่อกุศลธรรมต่างๆดับไปอุปกิเลสจางหายไปจึงเข้าถึงฌาท น, นาที่หนึ่งนะี่คือสมาธิขั้นที่1นะ มสมาธิขั้นที่หนึ่งแต่ว่าในสมาธิเนี่ยราคาโทสะ พ, พวกนี้มันดับไปแล้วไม่งั้นจิตคุณจะเร่าร้อนรุ่มร้อนจะไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้จิตเราก็จะมีความหิวโหยพวกนั้นก็จะเป็นนิวรณ์ออกมาเป็นในรูปแบบของความอยากทางกามรูปแบบของความเดือดร้อนใจไม่ไม่พอใจพวกนี้จิตใจ <Okay. S 2> ก็จะไม่เป็นสมาธิทีนี้พอจิตใจเราเป็นสมาธิไอ้พวกนี้นจะต้องไม่มีอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความแห้งผากความหิวโหยในจิต นะมั น, ม, นมันเราเข้าสมาธิมันก็ดับไปแล้วอนะมันไม่ใช่นะแต่ว่ามันกลับกําเริบได้เพราะว่ามีอวิชชาอยู่นะเพราะมีอวิชชามันอาจจะกลับกําเริบได้ตรงนี้แหละเราจึงต้องมีศีล น, นะมีสัมมาการมันตามีสัมมาวาจานะคอยคุมอยู่เพราะว่าถ้าเรามีศีล น, นะเอาศีลห้าของเราธรรมดาในะพื้นฐานมีแล้วเนี่ยอาะถ้าคุณจะมีราคาอาจจะจี้ขึ้นมาบ้างอาจจะไม่อยากบ้างนะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของสิ่งที่ ยังไม่ทําให้เกิดอกุศลธรรมมากถึงขนาที่จะพาไปลงนรกนัะคืออกุศลธรรมในใจเช่นเราอยากอย่างได้อย่างหนึ่งหรือว่าเราไม่พอใจคนนี้ทําไมมันยิ้มแบบนี้หน้ามันเบี้ยวๆเราไม่พอใจมันอย่างเงี้ยนะด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะอพอเราเกิดความไม่พอใจปุ๊บแต่ฉันก็ไม่ด่าเขาหรอกแต่ฉันก็ไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดโกหกแล้ะฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาทางกายในความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นบาปไหมเป็นนะเป็น แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังควบคุมอยู่ด้วยกายด้วยวาจาก็ยังไม่ไปทำให้เราตกนรกเนี่ยเพราะนั้นการที่เราอยู่ในเส้นทางเนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ความลุดพนไดู้ปสู่ความลุดพลได้ลดลไดแล้ ว, วเรื่องของศีลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นผลให้เกิดความไม่ร้อนใจเนะีศีลมีความไม่ร้อนใจเป็นอ น, นิสงส์งที่มุ่งหมายนี่เป็นปุทตะ ืเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารักษาสีของเราได้เราต้องไม่ร้อนใจอันนี้มันจะเป็นผลที่ถูกต้องแต่แต่ถ้าเรามีความคับแค้นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนแสดงว่าคุณรักษาสีไม่ถูกมันต้องมีที่รั่วที่บอดที่ดางที่ปลายสักที่ใดที่หนึ่งเจ้าค่ะอเพราะฉะนั้นถ้าในข่าคุณสมจริงที่บอกว่าเรายังมีความโลภซึ่งอันนี้อาตมาตีความว่าเป็นลักษณะของราคะนะราคะที่หมายถึงความแห้งผากในใจคำตอบ ตรงนี้ได้ว่ามันคนละประเด็นกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะดับหายไปในสมาธิแตถามว่าศีลถ้าเรารักษาดีแล้วเราจะมีความไม่ร้อนใจพะมีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะทําสมาธิได้พอเราทําสมาธิได้ดีจริงๆราคานี้มันจะดับไปตรงนั้นมันจะดับไปตรงนั้นแต่ว่าระวังนะเพราะว่าราคาไอ้ที่มันดับไปเนี่ยมันกลับกัาเริ่บได้ถ้าเผื่ว่าเรายังมีอวิชชาอยู่เจมัน่็บางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ร้อนรอนเดือดเดือดบางทีก็สงบสงบมันก็สลับกันไป เจค่ะถ้าถ้าถ้าเราทำได้ในระดับนี้เจ้าค่ะโยมถามเพิ่มเติมนิดได้ไหมเจค่ะได้ตามความเข้าใจของโยมนะเจค่ะที่ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีสามากรรมันตะสัมมาอาชีวะ ยังแต่ว่าประกอบไปด้วยศินห้าก็คือคล้ายๆว่าก็ยังทําดําเนินอาชีพแบบทํางานทําการไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, ะยมคิดว่าพอทํางานทําการไปแล้วเนี่ยเราก็มีเงินมีทองใช่ไหมเจ้าค่ะอาจจะซื้อนูน่นซื้อนี่อะไรประมาณนี้เจ้าค่ะยังมีความชีวิตที่มีความสุขอยู่แต่เรายังอยู่ในศีลห้านี่อันนี้แสดงว่าเรายังโลภอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะก็คือว่ายังมีนู่นนี่อะไรชีวิตแบบคารวารว่าแต่เจ้าค่ะคือในภาษาไทยเนี่ยคำว่าอยากเนี่ยคุณเตนใจมันกินความหมายกว้างมาก เราเอามาเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งอย่างสมมติพระพุทธเจ้าตื่นเจ้ามานะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ถ้าเขาได้ฟังธรรมเนี่ยเขาจะบรรลุเป็นพระอรันแล้วก็เลยไปเทศสอนเขาการกระทําตรงเนี้เป็นความอยากไหมก็เป็นความต้องการนะจ๊ะความอยากกับความต้องการเราเริ่มมีความแยกแสบนะว่าความอยากกับความต้องการแยกกันไปใช่ไหมเราเห็นประโยชน์ตรงนี้เราจึงทําหรือว่ามีคนมาถามคําถามพระพุทธเจ้าถามคำถามแบบกวนๆถามคําถามแบบป่วดๆแต่ด้วยความที่มีกรุณา มีความเอื้อเฟือ้อมีความที่จะสงเคราะห์เขาแล้วก็จึงแสดงทําแยกแยะแจก แ, กแกจกให้เขาเห็นทําไดนะ้ความอนุเคราะห์ความเกื้อกูลจิตใจแบบเนี้อันนี้เป็นความอยากไหมที่จะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเข้าใจผิดนะมันก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเป็นการกระทําได้เป็นการกระที่ยังอยู่ในกรอบของอะไรยังอยนะู<ะ>่ในกรอบของมรรคแตตรงนี้จึงเป็นลักษณะของฉันทะนะฉันทะคือความพอใจซับอีกซับหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกใช้ในที่นี้ แต่คือความพอใจเช่นคนพอใจในการทําความดีเฮ้ยคุณควรจะต้องมีควรจะต้องมีะนะซึ่งตรงนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งของคุณสมจริงบดีในะที่บอกว่าการเจริญชันทะเพื่อลดชันทะเนี่ยมันคือตรงนี้มันคือตรงนี้เจนะว่าเราทําเราพอใจในการที่จะทำความดีพอพอใจในการที่จะทําความดีแล้วเนี่ยจิตใจที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้เจ้าราค่าโทสะมวยมันลดลงไปลดลงไปลดลงไปนะชันทะในความพอใจในการที่จะ ให้จิตใจมันโน้มไปในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยลดลงลดลงอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในคําถามของคุณใิันที่ถามว่าเอ้ฉันก็อยากไปซื้อนั่นทําไอ้นี่ใช่ไหมเจ้าค่ะมีชีวิตแบบคารวาสอะเจ้าค่ะแต่อยู่ในศีลในธรรมนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่อาชีพอันนั้นคือชันทะในการที่จะเจริญตามมักเนี่ยเป็นชันทะในการที่จะเจริญตามมักเป็นสิ่งที่ทําได้แควรทําให้มากๆด้วยซ้ํา นัคือการกระกรทําตามมาร์กแปดเนี่ยทาให้มากๆมากๆแล้วนะฉันทะ ก, ก็จะลดลงลดลงฉันทะในทางที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่ห ย, ยาบหยาบก็จะลดลงลดลงความจิตใจที่มันน้อมไปในความละเอียดมากขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น อ, อ้าวแทนที่เราจะยินดีในสิ่งที่เป็นตาเป็นหูต่อให้มันอยู่ในศีลห้าก็ตามอา้าวเราก็มายินดีในความสุขที่เป็นจากสมาธิมากขึ้นเพราะอะไรเพระาะว่าพอเราปฏิบัติตามข้อนี้ไปเรื่อยๆฉันทะของเรามัน มันเขเรียกว่าละเอียดลงในงที่หยาบๆมันล่อออกไปความพอใจที่เราจะไปพอใจทางตาทางหูมันก็ไม่ค่อยมีมันก็จะละได้ละได้อเราเห็นทางความสวยทางความสุขทางตาทางหู อ, อมันลดลงแล้วก็จะมายินดีความสุขที่เกิดจากทางใจมากขึ้นมากขึ้ น, ก, นก็จะละเอียดลงไปตรงนี้ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เคยมีคนเขาอธิบายไว้อย่างไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อ่ะนะหรือเขามีนักวิเคราะห์ในด้านการศาสนาเนี่ย เขาเคยพูดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเรื่องอริยสัจสี่เน่ยตั้งอยู่เองไม่ได้เขาวิเคราะห์เลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าคุณจะปฏิบัติตามมรรคได้คุณก็ต้องมีความอยากกันสิแต่ความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ถ้ามีความทุกข์แล้วจะไปปฏิบัติตามมรรคมันก็ไม่ได้มันก็แก้ทุกเวลาล้มคลื่นก็ว่าอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เขาเขาไม่เข้าใจจุดที่เียว่าการทําให้มันละเอียดลงละเอียดลงจนั่นคือสำคัญซึ่งตรงนี้เป็นมรรคทมาปฏิปทา เนี่ยเป็นทางที่มันจะลอดออกไปได้พอดีพอดีมันเป็นช่องพอดีพอดีเนี่ยที่ว่าต้องคนมีตาถึงจะเห็นเจ้าค่ะคนต้องมีตาที่เป็นปัญญาในใจนะถึงจะเห็นอืมเจ้าค่ะก็คือมีปัญญาที่จะมองเห็นทางทางนี้แหละถึงจะทําได้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องซึ่งตรงนี้เน่ยถ้าถ้าในคำถามของคุณสมจริงที่บอกว่าแล้วอุบายในการปล่อยวางเนี่ยจะปล่อยวางยังไงก็ทําตามมรรคแปดนี่แหละจะเป็นอุบายในการที่จะปล่อยวางกิเลส แล้วเอาค่ okay, ว่าเรารับนับถือรักษาศี่หนะคุณต้นใจแต่เอาแค่ว <Okay. S 3> ่ารักษาศี่ห้าเดินอยู่บนตามมาร์กแล้วกิเลสเนี่ยดับลงไปทุกขั้นตอนกิเลสดับลงไปทุกข <ứng> ั้นตอนอย่างตั okay, วอย่างเช่นยังไงเอาแค่ว่าเราอยู่บ้านนั่งดูทีวีคุณอยู่บ้านนั่งดูทีวีเรื่องอะไรก็ตามสารคดีหรือว่าละครอย่างใดอย่างหนึ่งมียุงมากัดมียุงมากัดปุ๊บแมจะตบยุงเแต่ไม่ตบยุงดีกว่าเอาให้ชีวิตมันให้เลือดมันบริจาคเลือดให้มันไป <ứng> มีความคิดอย่างนี้ ตรงนั้นกิเลสลอกออกไปทันทีคุณเตจอืัยลอกลอกไปทันทีเพราะอะไรเพราะไอ้ความที่เราจะเบียดเบียนเขาการที่เราจะมีความคิดที่ให้เขาชิบหายมันหยุดอยู่ได้ตรงนั้นการที่หยุดได้ตรงนั้นกิเลสหลุดออกไปทันทีหลังจากความคิดที่จะทำโดยความอาฆาตความอาฆาตนั้นไปแล้วไม่อยู่ที่จิตของเราเราหยุดได้อันนี้คือกิเลสเนี่ยดับไปตรงนั้นแล้วมันก็ดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไป การดับไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้แหละหที่เราว่าทำให้ละเอียดลงละเอียดลงต่างๆเหล่านี้ยมแปลอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าพอเราปฏิบัติตามอริยมรักษ์มีองค์แปไปแล้วจริงๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะสูงขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะ ตรงกับที่อาจารย์พูดว่าละเอียดลงละเอียดลงหมายถึงว่าจิตใจเราเนี่ยสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ไม่อยากไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือไปเบียดเบียนคนนู้นคนนี้หรือมีจิตริษยาไปอาฆาตชัยมันจะหายไปเองถูกไหมเจ้าค่ะตัวเนี้ยชันทะมันมันจะล่อไปละล่าออกไปละลดชันทะในทางนั้นๆออกไปนั้นๆออกไปเนี่ยมันก็จะค่อยละเอียดลงละเอียดลง สาธุเจ้าคะ่ะมันมันเหมือนกับสิ่งที่ถ้าคนปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยโยมคิดว่าจิตใจเราเนี่ยจะเหมือนกับถ้าตามคําที่พระอาจารย์พูดคือละเอียดลงหรือว่าจิตใจสูงขึ้นนั่นเองก็<ช>จะไม่มีจิตไปคิดทำในสิ่งที่มันไม่ดีถูกไหมเจ้าคะ่ะ อ, อันนี้โยมคิดว่ามันเหมือนเป็นไปโดยอัตโนมัติต น, ตนะเจ้าคะ่ะเพราะเวลาพโยมไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยเจ้าคะ่ะจะรู้อย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วเนี่ยจิตใจก็จะสงบ嘛เจ้าค่ะ คือจะไม่นึกว่าจะไปว่าคนนู้นคนนี้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะแบบว่าเหมือนกับกลัวละอายต่อบาปเจ้าค่ะเจะมีความกลัวความละอายต่อบาปโอ้ยฉันไม่อยากทําไม่กล้าทำไอ้ตรงนี้เราบอกว่าโอ้ยฉันไม่อยากทําฉันไม่กล้าทําเนี่ยคือฉันทะตรงนั้นคุณล่อไปแล้วอืมฉันทะนี่มันลดลดลงไปแล้วทันทีทันใดตรงนั้นเลยเออเราเรามันล่อไปตอนไหนเนี่ย ก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้ตัวเลย<า>เพราะว่าพอจิตใจเราสูงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนโมัติต น, นะคะไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันล่อไปตอนไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียบเทียบไว้เหมือนกับเครื่องมือของช่างไม้ไหที่เครื่องมือของช่างไม้เนี่ยเราไปดูกบสาไม้หรือว่าเลื่อยของช่างไม้เนี่ยเขาจะมีรอยนิ้วมือหรือรอยยุดนิ้วหัวแม่มือของช่างไม้อ ย, อยู่ที่เครื่องมือของเขาาแล้วมันมาแต้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มันก็ทำทุกวันอะ มันทำทุกวันทําทุกวันมันก็มีรอยสึกของเครื่องมือเกิดขึ้นได้ออรองเท้าที่เราใส่เราใส่ทุกวันเดินไปเดินไปอา้าวใส่ไปปีสองปีอา้าวพื้นทละลุแล้วต้องต้องซื้อใหม่อ้อาวทำไมอะ่ะก็มันสึกไปสึกไปอา้าวแล้วมันสึกไปเท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ได้หรอกแต่มันค่อยสึกไปสึกไปเพราะการการะทําที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นตามระบบนะการกระทําที่เป็นขั้นเป็นตอนตามระบบเนี่ยก็คือทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาการการะทําตรงนี้จะทำให้จิตของเรามีความละเอียดลงละเอียดลง นวละเอียดลงละเอียดลงไอ้กิเลสที่ก็ค่อยลอกไปลอกไปนะฉันทาที่เรามีมาก็ค่อยลดลงลดลงเราตั้งฉันท่าเอาไว้คือบางคนอาจจะกลัวว่าเฉันท่างั้นฉันฉันทาฉันจะหายงั้นฉันควรจะต้องเจริญฉันทะาไหมมันจะละเอียดลงคุณเข้าใจไหมฉันทาที่มีในการปฏิบัติที่ละเอียดมากขึ้นมันจะมีมากขึ้นฉันท่าที่ไอ้เรื่องยำหยาบมันก็จะลดลงอืความละเอียดตรงเนี้ยที่เป็นใบตรงเนี้อมันเป็นผลของการที่เราทําอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าจะใช้พุทธพจน์ก็คือทําให้เจริญทําให้เจริญเป็นพุทธพจน์ที่ถูกต้องอะไรประมาว่าเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยใช่จ้าการทําให้เจริญตรงเนี้ยเป็นกิจที่คนทําในเรื่องของมรคแปจ้าซึ่งในมรคเนี่ยในอริยสัจสีมีอยู่4ส่วนใช่ไหมส่วนที่เรียกของแต่ละ4ี่ส่วนแต่ละอย่างเนี่ยก็ทําไม่เหมือนกันนะทําไม่เหมือนกันเช่นตัณหาคุณต้องทําโดยการละละมันซะจ้าถ้ามรคคุณก็ต้องทําให้เหมือนมากๆทําให้เจริญ ซึ่งพอเราทำมากๆทบาบ่อยๆทําทซ้ําๆทํายําๆทํามากๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆย่ำ ๆ, ๆ, ำๆำในทางสายกลางตรงนี้แล้วก็จะเกิดความละเอียดในระหว่างที่มันเกิดความละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยอเอาไปกิเละออกไปนะชั้นท่าห ย, ยับๆก็ออกไปด้วยฉันถ้าที่มันละเอียดในเรื่องที่มันจะดีมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถ้ามั น, นใช่ใเจ้าค่ะนั่นเองตอนนี้ก็คล้ายๆกับพระอาจารย์ได้ตอบคําถามข้อที่เจของคุณผู้ถามนะเจ้าคะคือการที่เราเดิน อยู่บนมรค8ดแล้วประกอบไปด้วยศีลห้าเป็นอย่างนี้แล้วกิเลสจะดับสนิทลงตอนไหนตามแนวทางของพระพุทธองค์อะเจ้าค่ะก็คือตอนนั้นเลยนะตอนนั้นเลยที่เราปฏิบัติเดียวนั้นได้ผลคาตาเดียวนั้นสันทะิติโก <it> เป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเกิดขึ้นเดียวนั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยการเวลาอาการริโกด้วยนั่นะก็คือเกิดตรงนั้นนั่นเองแต่ทําไมเราไม่ค่อยรู้สึกมันก็ค่อยลอกไปลอกไปเจ้าค่ะ ก็เวลาในาการหรืออยู่ประมาณสัก1 ห, หรือ2นาทีเนีเจ้าคะ่ะยมขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโ น, โนได้สรุปที่ตอบคําถามวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังรูปยอดอีกสักครั้งนึงเถิเจ้าค่ะเป็นการย้ำเจ้คาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของทางสายกลางนะีว่าไม่ใช่หมายความว่าลําบากหรือว่าสบายนะแต่เป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งเนะที่จะเป็นไปเพื่ออะไรนะเพื่อให้จใจใจของเรานั้นมีความสูงขึ้นมีความละเอียดลงสูงขึ้นละเอียดลงนั้นเป็นผลจากอะไร แต่การที่เราทำบ่อยๆทำซ้ำๆยำๆอะไรที่มันจะหายไปในระหว่างการกระบวนการการทำตรงนี้ก็คือกิเลสก็จะค่อยล่อออกล่อออกไปแต่สิ่งที่เป็นชัน t ะในเรื่องห ย, ยาบๆเรื่องที่ไม่ดีก็จะล่อไปด้วยเพร้อมไปตามกิเลสส่วนเรื่องในการที่จะทำความดีเราก็สามารถที่จะตั้งชันตาไว้ตรงนั้นได้แต่ซึ่งกระบวนการตรงนี้คืออริยมรรคมีองค์แเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเราก็ในเรื่องของการกระทำตรงนี้เราก็สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะรักษาศีล ทำการงานคุยโทรศัพท์ดูทีวีแลนะทำกับข้าวได้ทั้งนั้นนะกระบวนการมันอยู่ในนี้หมดเป็นแต่ว่าเราทำให้มันมีความชำนาญมากขึ้นทำให้มีความละเอียดมากขึ้นเราก็จะไปตามทางที่ไปสู่นิพพานได้นั่นเองสาทุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังค่ ะ, ะเวลาในรายการ ธรรมรับรุนชาวันนี้เป็นเวลาที่มีค่ายอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาพัยบุญอภิปโนโท่านได้มาจากกัขาหรือมาพูดคุยธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาดังนั้นเนี่ยเดฉันคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายหลายท่านเรียนรู้มากขึ้นจิตสว่างขึ้นและสามารถเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราทําให้จิตใจเรา สูงขึ้นหรือว่ามีการปฏิบัติที่ละเอียดลงไปอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะมาแล้วนะคะค่ะสําหรับเช้าวันเสาร์แรกของเดือนธันวาคมนี้ก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะตอนตีห้าในรายการธรรมารับปรุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ได้สนทนาพูดคุยซักถามแทนท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงนี้ เรามากราบน้ำสรสการขอบพระคุณและกราบน้ำระสการลาพระอาจารย์พระมาหาภัยบุญอภิปโนโอาพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอาของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัผโสท่านเจ้าอาวาสอาวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบน้ำระสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาะเจียมปานสาธุเจ้าค่ะ